จาหรักวันนี้ก็จะข อ, อนําเรื่องอภิสุตสองตางหายสหายด้วยกันเมื่อเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาความจริงเรืสูตรตอนใดทายนี้คุณถือเป็นการศึกษาไปสําคัญเรื่องนี้ก็มีูว่าเมื่อองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงเสด็จประทับยับยั้งสาราญอิติยาบทรายกฎว่า อยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในตอนนั้นองสมเด็จพระวิธิตมานทรงปราระพิสุสองสหายแล้วจึงได้ทรงตัดปรมเทศนาว่าพหุมปิเจสหตางาสมาโนเป็นต้นความพิสันดาในเรื่องนี้มีว่ามีคุณบุตรสองคนเป็นชาวเมืองสาวัตถี แล้วก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งได้ไปฟังมาธรรมเทศนาพระองค์สมเด็กเกิดสัมมาสัพพุเธเจ้าฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสใข่จบวทจึงได้พากันละกามทั้งหลายหมายความละการครองเรือนลามเมียบวตเอางี้ดีกว่าภาษาบาีท่บอกละกามทั้งหลาย เวลาเมียบทละรูปรูปเสียงสิ่นรถสมัมผัสได้รมเช่นเริ่กามารมตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยนี่คืออุรังัิตวาถวายอกแก่พระศาสนาคือยอมตายในพระศาสนาความจริงพระสองรูปนี้ถ้าจะดูกันไป ก็แค่คล้ายกับพระว่าเราในปีนี้คือปีสองพันห้ารอยี่สิบ 20, มีพระต่างใจบวชในระเพศยอมกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนามากผมปลื้มใจเม่ว่าท่นานหลายมีความเข้าใจในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรถึงกระละผลประโยชน์ที่พึงได้เพื่อเทั้งลาบทังยศแต่คุือเสริมสุขอันเป็นโล ก, กีวิสัย ที่ว่าท่านนั่งหลายมีทุนใหญ่ในการอุปสมบทบรรพชาผล ท, ที่เพิงได้ขณานท่าอารมณ์กรรมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาดนใจท่านนั่งหลายก็คงคิดว่าคงจะเข้าใจในระาศาสนาถึงที่สุดอันนี้อยากพยากรณามากไปนะผมพูดแค่นี้เป็นอนว่าว่าท่านตั้งใจถวายชีวิตในไม่ในพระพุทธาศาสนาแล้ว ก็ขอบทบทแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์เขาผ้าบรรญาคือในระหว่างยังไม่เข้าผ้าบรรญานี่เขาเรียกยังไม่เรียกว่านี่นี่สายมุตตะยังต้องอยู่ในการอบรมเขาพยาพระอุปชาอยู่อุปชาในสมัยนั้นถ้าปฏิบัติตนแบบนี้เมื่อบทคนลบทคนที่ใดแล้วก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนไม่ใช่อุปชาเต่า สมัยนี้เป็นอบราชเต่าสมบทบวชให้แล้วกันแล้วกันไปจะไปอยู่ไหนก็ช่างจะมีความประพุทธเป็นยังไงก็ช่างเอาอย่างเดีย ว, ว่าปีหนึ่งเขาได้บวชมากเป็นสําคัญนี่ไม่ใช่นินทานะก็รับเรื่องมันจริงแต่สมัยนั้นพราที่บวชจิงอยู่ในเกลียนยังไม่พ้นห้าบรรษาต้องอยู่ในสํานักเขา อ, อุบราช อุปนิวัตอยู่ต่างออกไปอุปชาต้องตามสั่งสอนอยู่เสมอเมือม่อคราผาภาษาแล้วเขาเรียกว่านิสัยมุตะกะนิสัยมุตะกะนี่ก็พ้นเขตที่ต้องอุปชาจะต้องควบคุมแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดีเมื่อท่านเอาสอง น, นี้บทครบห้ปีแล้วยังเข้าไปเป้ปาองค์สมเราา็จพระบัณิตแก้วทูลถามถึงธุระในพระศาสนา ได้ฟังวิปัสนาธุระและคันธาธุระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏโดยทิสดารในจันลนสัตยสุตสองรูปนั้นรูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าพันเตพระกรวาข้าได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจา้าข้าข้าพระองค์บวชตอนนี้ไม่แก่จะแล้ว ถ้าอยากเรียนเรียนกานธาตุระคือเรียนศึกษาวิชาความรู้ในพระไตรปิฎกและทำภาระที่เนมากเห็นจะไปไม่ไหวชีวิตจะไปไม่รอดขอเรียนมีปัสนาธระเพื่อหวังมรกผลต่อไปองค์สมเด็จเจาจอมไตรบรมศัษษสดานยก็ทรงอนุมัติแด้ละทูนขอสมเด็จพระผุทมีพระพาตรัตที่ปัสนาธระ พาะผู้มีพระพายเจ้าก็ทรงสอนนิปัสนาธุระตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลเื่าท่านรับคำสอนถึงครั้งแรกและก็เป็นครั้งสุดท้ายนำมาคำสอนนั้นได้ภาพเพียนพยายามอยู่ในป่าจนกระทั่งมรุอรหัตผลร้อมไปด้วยปริสัมิทายา น, นี่สมัยก่อนเขาศึกษากันแบบนี้นะ ฟังคำสอนกันเพียงครั้งเดียวจำจำแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติหาทางแต่กิเลสให้เป็นสมุทเธตประหารในที่สุดถ้าจะเป็นอราหารันต์ซ้อมไม่ได้ปฏิสัมภิทายาณปายเิสุอีกองหนึ่งคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธาธุระคือจะศึกษาพุทธพจน์บท บ, บาลเล้ครับทวน ยังในเรียนพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวสัพัญญาในสถานที่ที่ตนไปแล้วเออสัพัญญาเนี่ยว่าภาษาตามธรมธรมดาธรรมดาก็คือไปที่ไหนก็ตามกล่าวธรรมะตามที่ศึกษามัแลจากบาลีให้จะตำรา แล้วเที่ยวสอนบรรดาภิสุทธทั้งหลายห้าร้อยลูปได้เป็นคณาจารย์ใหญ่สิบปดคณะคือกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมีประมาณห้าร้อยลูปแบ่งเป็นพักพวกก็เป็นคณะได้สิบแปดคณะก็ได้อยู่กันเป็นกลุ่มๆสิบปดกลุ่มนี้มีประมาณห้าร้อยลูปด้วยกันที่สุทั้งหลายเหล่านั้น สำหรับพิสุอีโอหนึ่งบรรดาพิสุทั้งหลายท่งกล่าวอย่างนี้นะนอกจากพิสุที่เป็นคันธัตุระแล้วก็มีผู้อีพิสุอีกโคหนึ่งชายอีโคหนึ่งมาเรียนกรรมฐานมาบทในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรียนในกรรมฐานในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จ ก็ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระผู้เป็นป่ายวิปัสนาเุระนี่ไม่ได้หมายที่ว่าพิสูจน์ห้าร้อยรูปพวกนั้นน่ะเป็นแค่อีกพวกหนึ่งพระห้าร้อยรูปเป็นบทเพื่อศึกษาพระปริยัตเรียนให้จบต่างกัมพีแล้วไปจุดบึงในชาวบ้านว่าฉันจบฉันนั้นฉันจบฉันนี้แล้วมีพิสูจน์พูกหนึ่งเรียนกรรมฐานโยมสำเร็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ไปสู่สำนักของพระอาจารย์ผู้วิปัสนาธุระไปถึงแล้วโดยคุณท่านลูกนั้นในฐานะท่านที่เป็นอรหันตปฏิสัมภิทาญาณท่านก็ให้อวาตของท่านตามที่ท่านได้บรรลุมาแล้วภายในไม่ชาบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหันตหมดต่อมาเมื่อเวลาออกพรรษา ยีน่นีพากานมัตการพะเทระได้กล่าเป็นว่าท่านผู้จเจริญครับเมื่อผมทั้งหมดนี้ใกล้จะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าพระเทระยี่นี้กล่าวว่าไปเถิดท่านผู้มีอายุเมื่อไปแล้วถวายบังคมพระสัจดาสมเด็จพระบพิตรแก้วแล้วจงไปน้มัตการส้าสีติมาหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่แปดสิบรูป สาวกนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเป็นหลายชั้นเครื่องหนึ่งอักษรสาวกเบื้องขวาได้กับภาษารีบทสองอักษรสาวกเบื้องซ้ายได้กับพระโมคคัลลาอาคาเปล่ากุลเลิดคือเป็นสาวกกุลเลิดกว่าสาวกอื่นทั้งหมดสําหรับอสิทธิมหาสาวกอันนีนเรียกว่ามหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่มีอยู่แปดสิบพระ นอกจากนั้นก็เป็นพวกเอตตะคะเป็นผู้เลิดด้านนั้นด้านนี้แล้วก็มีปกติสาวกเป็นอนว่าทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถพิเศษต่างกันถ้าบอกว่านมัสการพระมหาเทระแปดสิบรูปตามคําของเรานะแล้วก็จงบอกกับว่าเทระผู้เป็นสหายของเราด้วยว่าท่านนา จ, จ่ายของกระผมฝาก การนมัสการใต้เท้ามาด้วยเมื่อสั่งการแล้วก็ส่งไปเือนุญาตให้ไปบรรดาวิสุทธิหลายลันเหล่านั้นไปสู่อิหารถวายพังโคมอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นมัสการพระสีติมหาสาวกแล้วก็ไปสู่สมณพุทธคันธิกาเทระหรือพระคันธิกะท่านท่านพระุระนั่นแหละชื่อท่านไม่ไดชื่ออะไรจะไปู้ ท่านมันฝ่ายคันธาธุระพระบาลีที่เรียกว่าพระคันธิกาธทระนึกได้เรียนในยราบว่าท่านก็รับท่านอาจาย์ของพวกกับผมฝากมานมัตการใต้เท้ากรับมีพระเทระผู้คันธิกาคันารุระองค์นี้จึงถามว่าอาจารย์ของเธอเป็นใคร พิสุตติหลายเหล่านั้นก็กล่าบเปลี่ยนว่าอาจารย์ของข้าผมก็คือพิสุที่เป็นสหายของตเท้าที่บชพร้อม ก, กันครับเมื่อพระเทเ ร, ระไปปัสนาธุระต่งข่าวมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆหมายความลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระรหัสมาเป้าของพระเจ้ทาทุกคนก็ส่งข่าวมานมาเส ก, การตอนนี้พิสุที่เป็นคันถธุระชัดเจนลนไม่ไหว นีนธธ่เสียกระดาษคันธาธุระนีเสียกระดาษไม่มีอะไรดีถือตนเทพโพ ต, ตัวไป็นสคัญอดทนอยู่ได้สิ่งการเล็กน้อยต่อมาชักทนไม่ไหวก็ดูต่อไปไว่ได้เมื่อพวกคันอาคันตุ ก, กะพิขุมาเรียนบอกว่า อ, อาจารย์ของผมฝากมานรรมสการไต่เท้ายิ่งได้ถามว่าอาจารย์เขาพวกท่านเป็นใคร เมื่อิสูจน์นั้นหลายเหล่านั้นกล่าวพูนว่าเป็นพระอาจารย์ผู้เป็นสหายของใต้เท้าบทพร้อมกันตอนนี้ความมานันละความถือตัวก็เกิดขึน้นใจเลวท่านยิ่งกล่าวว่าที่ท่านอยู่กระาจายของท่านนะ่ะเรียนอะไรจะมาบ้างท่านไม่เรียนเพิสูสุดพระวินัยในก่อพระวีธรรมหรือว่าจบพรตรวิตกหรืว่าจบอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างหรือเปล่า บรรดาวิสุทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอาราหันต์พอวิสุพูดเสียกันดาษคันาธรารตระามอย่างนั้นทังคนหนี้งแล้ถ้าคันาธรารตระนี่ยก็คิดว่านี่จะหายพวกเราเมื่อบทไม่เคยเรียนหนัสีอนังหาตำราตํารายก็ไม่เคยดูไม่รู้จักแม้แต่บ่าคาถาประกอบพุทธสมงบท หรือพระสกุลเข้าป่าตั้งแต่บทแล้วยังสามารถมีลูกสิษ์ทุกหามากมายขนาดนี้ในการที่เธอมาหาเราเราจะถามปัญหาดูนี่สันดานข้อมนัยกิเลสมันเป็นอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นสันดานเรียนแต่ตำราเตยจิตใจมาสะอาดความสกนทรกของจิตความถือถือตัวทือตนเกิดขึ้น เห็นเพื่อนมีรู้สิตมากแต่ความจริงท่านมีรู้สิตมากแต่เรคิดว่าไม่มีใครเล่ยกว่าท่านคางจริงในสัยอยงค์นี้คล้ายพระเทวทัตแล้วผมจะนําเรื่องพระเทวทัตมันเล่าให้ฟังในอย่างย่อๆเพื่อกล่าวว่าในการต่อมาพัทธิระไพัสนาธุระได้ข้ามาเป้าองค์สมเด็จโตสมมาสมพุทรแก้วแล้ว เจ็บบาจีวรไว้ในสำนักของพระอาจารย์ผู้สาหายกันนี้ก็เลยไปนมัสการพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและก็ไหว้พระสรีติมหาสาวกทั้งแปดสิบโลกาสาวกผู้ใหญ่สําหรับเพื่อคันธาธุระนั้นเมื่อไหว้แล้วก็กลับมาสู่สำนักของพระผู้แห่งพิสุทธรงที่เป็นสาหยคือพระอาจารย์คันธาถุระ หลับดำดำดับนั้นพระ อ, อาจารย์คันถาธุระนั้นให้พิสุททั้งหลายคือลูกน้องเขาตนตทำวัดกันแล้วหถืออัศนะมีขนาดเท่ากันถือว่าเพื่อนกันนี่แกจะเบ่งกับฉันให้เขามานั่งเท่ากันนะฉนใจไม่เท่าคืดว่าตัวเด่นกว่าเพราะเพื่อนไม่เคยเรียนอะไรมาตัวเรียนแล้วเมื่อนั่งแล้วก็ตั้งใจจะถามปัญหาพระ อ, อรหรันต์ ท่านกล่าวว่าในขณนะนั้นองค์สมเด็จพระชิตามานทรงทราบว่าเรื่องคันทาธุราที่โครูปนี้จะเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้คือมาคำารูปหมายความผู้ทรงคุณสมบัติสูงถึงปานนี้แล้วถ้าเธอเบียดเบียนแล้วเธอจะตก น, นรกนาเวจีมหานรก แม่ ใ, ใสความที่พระองค์ทรงเอ็นดูเธอเกรงว่าเธอจะลงนรกจเงได้ทําประหนึ่งว่าสเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารขั้นสเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสงนั่งแล้วประทับนั่งเนืออัศนะที่เธอจัดไว้ตามพระบาลีถึงกาว่าพระจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องจัดสถานที่พิเศษไว้ที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วองค์สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าประทับ น, นั่งในอัศนะที่พระคัน ธ, ธุระจัดบมาถวายแล้วเวลาเมื่อประทับนัเสร็จที่ในตัดถามปัญหาในปัญหาแรกที่พระเจ้าถามก็คือปฐมฌานกับพระคัน ธ, ธุระเมื่อพระคัน ธ, ธุระถูกถามตอบไม่ได้กานตัถามปัญหาในรูป ปัตสมาบัตคือฌานที่สองที่สามที่สี่และรูปสมาบัตคือรูปฌานที่หนึ่งนี่คือเอกาสารัญจาจตนะที่สองนี่คืวิญญาญัญญาจตนะที่สามนี่อากิจัญญาจตนะที่สี่นีวเนสัญญาณาสัญญายตนะการถามของพระพุทธเจ้าถึงถามถึงอารมณ์ที่เข้าถึงไม่ได้ถามตามหลักพิชาให้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติได้จึงจะตอบได้ เป็นนั้นว่าตั้งแต่ชาติสองเป็นต้นไปก็คันธทุระตอบไม่ได้สักข้อเดียวสําหรับพระวิปัสนาทุระตอบได้ทูลถวายได้ทั้งหมดลำดับนั้นสมเด็จพระพุาธเจ้า <c oughs> ยิงแต่ถามปัญหาในว่อโซนดาปิมักกับเธอพระคันธทุระก็ตอบไม่ได้แต่ว่า ท, าท่านวิปัสนาทุระตอบได้ เมื่อตอบได้แล้วพระพุทธเจ้าถามปัญหาเศิทธาคาณาคาราชผลถ้าวิปัสสนาธุระก็ตอบได้หมดถ้าขั้นธุระตอบอะไรไม่ได้เลยนี่ฟังดูให้ดีนะกเราก็เหมือนกันศึกษามาแล้วอย่าเอาตำราไปเที่ยบ่งกันดูความบริสุทธิ์ของจิตนี่ท่านวิปัสสนาธุระท่าไม่เคยอ่านตำรา แต่ได้ว่ามันเป็นอารหันต์แรงก็ตอบได้หมดจริงๆไม่เคยมีสาก็เป็นผลที่คุณได้ทางจิตเป็นยามันเกิดเองถ้าเราถือแต่ตำราเป็นสำคัญก็ทางลงมรกมันมากเพราะทะนองตัวทะนองตนเวลา ต, ต่อไปว่าองค์สมเร็จพระทศพลทรงชมว่าดีละดีละแล้วก็ตัถามัญหาถึงในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับ แต่ค so er nah ันธาตุระก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ส่วนพระศีลนาศคือพระวิปุตติปสนาธุระพูนตอบปัญหาได้ตอบได้ทั้งหมดว่าดันถามมาเท่าไรตอบได้ทั้งหมดจําให้ดีนะว่าผลแห่งการปฏิบัติที่ไม่เกิดปัญญาเพประสบการณ์มาเองพระศากสนาได้ให้สาธุการแก่พระศีลศีลนาศในฐานะเทวดา มันดาเทระบดาทั้งหมดก็ตั้งต้นตั้งแต่พุมธิวัดาถึงพุทมโลกน่าเลยฟุดเมื่อฟังคําสาธุการขององค์สุเด็ดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าการสาธุการเหมือนกันสาธุในประวัติละทรงชมัดีเธอตอบได้ที่นี้มาผู้อันเทวาสิกเรือสัตว์ทิ่หาเล็กผู้ง่ายง่ายคือรูปศิษย์ของพระคันธทุระที่อยู่ในสํานักและนอกสํานัก ได้ฟังคําสาธูการ น, นั้นแล้วจึงยกโทษองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วนี่ท่านฟังแล้วก็ดูให้ดีนะแม้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระท่านหลายอย่างนินทาได้นี่พวกเราถ้าถูกพระดีกันนินทาถูกชาว บ, บ้านนินทาก็ต้องอย่าสนใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรดีกว่าเราทั้งหลายล้านเท่าพระองค์องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังถูกสา่นินทาแล้วเขายกโทษ องสมเด็จพระสัมมาพุทธ佛ทเจ้าว่าพระสัสันดาทรงทำกรรมอะไรนี้พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระมิปัสนนาธุระผู้ไม่รู้อะไรในฐานะทั้งสี่เพื่อใจของพวกเราเป็นผู้ทรงจําพระปริยัติที่ทําไว้ได้ทั้งหมดทรงพระไตรปิฎกทั้งสามรายการ เป็นหัวหน้าเพื่อไปสุขประมาณห้าร้อยทุกองไม่ได้ทรงชมเชยให้ความสุขให้ความเอนเลยนี่ฟังพระนรกท่านท่านหาท่า น, นพูดกันนินทาพระพุทธเจ้าความจริงนี่เมาอยู่ในกระดาษอย่างเดียวเมาในธรรราลำดับนั้นองค์สมเด็จต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ทั้งหลายแล้วนันว่าพวกเธอทั้งหลายก็เล่าพูดเรื่องอะไรกัน มริสทั้งหลายเรานั่นกราบทูลในความนั้นในทรงทราบแล้วสมเด็จพระบรมธีบแก้วจึงมีพระพุทธฎีกาจัดว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอมีสภาพเหมือนกับบคุคคลผู้รักษางัวทั้งหลายโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในาศาสนาของเราเท่านั้นส่วนบทของเราเช่นกับ เหมือนเป็นมีสภาพเหมือนเจ้าของผู้บริโภคปัญจัโครสตามชอบใจหมายความมนมมข้องโคมีรถท้ายอย่างกินตามชอบใจพระที่เรียนแต่ตำรรายอย่างเดียวทรงเป็นชนสตดกมันก็คนเฝ้าโคไม่ได้กินอะไรเลยดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบามทีแเจ้าจึงทรงจัดบาราคาถาว่ามรชนกนลาวพระพุทธพุท คำว่าพุทธพจน์คือบทธรรมบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันมีประโยชน์เกื่อคุณแม่มากแต่ถ้าว่าเป็นผู้มีความประมาทแล้วไม่ทำตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลคำว่าสามัญญผลก็คือผลคือคุณเครื่องความเป็นสมณะ มี่หมายความเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ออดรู้อย่างนั้นอวดรู้อย่างนี้จะตัวเร็วให้กล่าวต่อไปว่าเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นคือคนเลี้ยงโคเขาจ้างให้เลี้ยงโคเช้าเขามานับโคมีกี่ตัวเย็นเวลาจะเข้าข้อก็ดูโคมีกี่ตัวมันครบหรือไม่ครบย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนเห็นปันเจรโครด เลี้ยงโครับจ้างเขาไม่ได้กินน้ำนมของโคนั่นเองหากว่านรชนกล่าวพุทธคตมีประโยชน์เกื้อกูลแม่น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรธรทมแล้วเขาละจาราคะโทสัลโมหะและรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นด้ดีความหมดความยึดถือในโลกนี้ <c oughs> และในโลกหนา เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนในสามัญเหตผลคือความเป็นสมณะใ่งกล่าตามทําบา ล, ลีว่าเมื่องค์สมเด็จตัณ ม, มาสมุทธยจ่าทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอนนี้จบคนแปลมากได้ไมารูุอริยบุคคลมีประโสดาบัน็นตนิตนั้นว่าเทศนามีประโยชน์มากสำหรับเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจ ว่าเราท่านนันหลายที่ยันดีกันได้นี่ไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญคงคิดว่าในสมัยหนึ่งในสมักของเรานี่ก็มีมีสะที่ไม่รู้จักประมาณตัวแล่เราว่าคิดว่าตัวเองเป็นคณเลิศเบียดเบียนบุคคลอื่นได้รับความลำบากถือเหตุแต่เียง ว, ว่ามีํำหรับตำราเป็นเครื่องดู เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรคระประเภทนั้นก็เป็นประเภทกับท่านคันธธุระนั่นเองเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงงัวแต่ไม่ได้กินน้ำนมขอ ง, งัวและว่าสมัยนี้ก็คงจะหมดไปแล้วเพราะนั้นว่าท่านหลายที่บวเข้ามาในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบพทีรแก้วจงอย่าเป็นผู้เมา ในวิชาความรู้ที่เราได้จากตรรราเพราะว่าวิชาความรู้ที่เราได้จากตรรรานี้มีประโยชน์น้อยหลือเกินถ้าเราไม่ไปพื้นปฏิบัติเหมือนละองสํำเดตตัวุนสวัสดีโสภาคทั้งกล่าวความจริงผลที่เราต้องการนั่นก็คือการจะพื้นปฏิบัติให้เกิดผลความจริงการรู้แต่ธรรานี มันได้กับตัวผมเองสมัยนั้นผมเรียนนักธรรมและเรียนบาลีเสร็จก็ออกมาเป็นนักเทศเทศสอนชาวบ้านตั้งแต่ทานศิลปภาวนาเพระอมาชานนาชนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเทศเรื่องเบโซดาศิธาคานาคาหันผมว่ากล่อยยานิพันเลย รู้ผิดตัวว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีต่อมาไปหลังมาศึกษาดานด้านแบบองความแบบพุทธปฏิบัติรู้ตัวว่าบัณฑิตชานมีองค์ห้าพระวีตกวิจารณปีติสุขเอกคตาเมื่อตาทุติยฌานมีองค์สองเขาตัดวีตกวิจาร์ไปได้เหมือนถ้าปีติสุเอกคตาแต่ว่าเมื่อจิตเข้าถึงฌานที่สองจริงๆไม่รู้ คิดว่าหลับไปคิดว่าเผลอไปนี่ในการเรียนแต่วิชาความรู้เ้าตำราเป็นพื้นฐานเอาไปคุยเอาไปสอนฉบับก็ได้แต่ในความจริงจิตที่เข้าถึงจริงๆก็ไม่รู้ก็เช่นเดียวกับพระคันาธาทุร ะ, ะนั้นขอบันดาท่านทั้งหลายมีเวลาที่เราบวชเข้ามาในศาสนาขขาโอสมเดจพระจอมไตรจงถือการปฏิบัติเพื่อตัดไม่ให้บรรลุมรรคผลเป็นสาคัญ อย่าถือตำราจะยึดมั่นจนเกินไปใหญ่สนองตัวดีไม่ดียะตกอเวจีมหานรกรสำหรับวันนี้หมดเวลาฉันแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านหลายทุกท่านสวัสดี